ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตมหาเวทลสูตรพวันนี้มาดูพระสูตรที่ผู้มีปัญญาเขาสนทนากันระหว่างพระมหาโกธิตะผู้เป็นเอตทัคคะในด้านปฏิสัมพิทากับภาษาเรบดผู้เป็นเอตทัคคะในด้านปัญญาเนี่ยนะเราเป็นผู้เลิศเลิศทั้งคู่เลยปฏิสัมพิทาก็เป็นชื่อของปัญญานั่นแหละ แล้วก็เอตทัคะในด้านปัญญาที่เป็นอัครส า, าวกข้างขวาก็เป็นเลือดด้านปัญญาเพานันผู้มีปัญญาสนทนาการก็สนทนาการแบบผู้มีปัญญาท่านผู้ฟังก็ต้องฟังแบบคนมีปัญญาเหมือนกันนะในมหาเวทลสูตรมชัชมันนิกายมูลปัญธาข้อ493พระอนุนกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินธิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระมหากฏิตะออกจากที่ลีเกรนสในเวลาบ่ายหรือเวลาเย็นนะ่ะนะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่พักแล้วก็ชื่นชมกับท่านพระสารีบุตรเมื่อเสร็จถ้อยคาที่ทาให้เกิดความชื่นชม เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันแล้วก็นั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระมหาโกธิตาเนี่ยกลางวันท่านก็อยู่ในที่หลีกเร้นหลีกเล้นของท่านก็คือการเข้าพร ะ, ะสมาบัติเนี่ยนะมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็คือเข้าอารหันตผลสมาบัติคือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยโดยมากท่านจะอยู่ด้วยทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่โดยมากแล้วจะเข้าพร ะ, ะสมาบัติ แต่ก็มีไม่ใช่น้อยที่เข้าฌานสมาบัติบ้างนะเข้าฌานสมาบัติทั้งที่เป็นรูปฌานและอรูปฌานบางท่านก็เข้านิโรธสมาบัติอย่างพระริยะทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์โดยมากจะเข้าพระสมาบัติอรหัตผลที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นหลังจากที่เสวยวิมุตติสุขเนี่ยนะการเข้าพระสมาบัติก็คือเสวยวิมุตติสุขสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นสุขที่ ปราศจากอาสวะสุขที่มีอสังคตะคือพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเาั้นคำว่านิพพานนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องตายก่อนแล้วจึงเรียกว่านิพพานไม่ใช่นิพพานนั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะเป็นอารมณปัจจัยแห่งอรหัตผลอรหัตผลนั้นประดิษฐานเนี่ยดำรงมั่นอยู่ในพระนิพพานเนี่ยนะเพราะนั้นธาระยะเหล่านี้ท่านสามารถจะเข้า อรหัตผลสมาบัติสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือครึ่งวันค่อนวันก็แล้วแต่ท่านประสงค์เนี่ยนะท่านประสงค์จะเข้าเมื่อไหร่ก็ก็ได้อย่างที่ท่านปรารถนาเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาเข้าหรือมีปัญญาในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับ นิโรสมาบัติพระสมาบัติซึ่งจะได้กล่าวต่ อ, ตอไปในข้อ494เนี่ยนะเมื่อท่านพระมหาโกธิตะนั่งลงนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเสร็จแล้วท่านก็ได้พูดกับท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ว่าท่านพระสารีบุตรคำที่เขาเรียกกันว่าคนมีปัญญาสามคนมีปัญญาสามเนี่ย ทุ ป, ปัญโยเนี่ยนะคนมีปัญญาสามเนี่ยด้วยเหตุประมาณเท่าไรเนาะเขาจึงเรียกว่าคนมีปัญญาสามแปลภาษาไทยว่าคนโง่เนี่ยคนโงน่เรียกว่าโง่โงเนี่ยมันแค่ไหนจึงจะเรียกว่าโง่กันแท้เนี่ยนะอ่าใครว่าคนเก่งกับคนฉลาดคนงโง่เนี่ยคนงโง่นี่มันแค่ไหนจึงจะเรียกว่าคนงโง่ระดับเราเรียกว่าคนโง่หรือเปล่าเนี่ย น, นะใช่เลยนะอันนั้นใครว่า ทนี้มาดูคำว right? ่าคนคนมีปัญญาซามหรือที่เราเรียกว่าคนโง่เนี่ยเป็นอย่างไรภาษาริบุตรท่านก็ต่อว่าที่เขาเรียกว่าคนมีปัญญาซามคนโง่เนี่ยนะคนมีปัญญาซามเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีปัญญารู้ชัดไม่มีปัญญารู้แจ่มแจ้งนั่นแหลจึงเลยเรียกว่าคนโง่คือคนที่ไม่มีปัญญารู้ชัดไม่มีปัญญารู้แจ่มแจ้ง ถามว่าไม่รู้ชัดไม่รู้แจ่มแจ้งอะไรเขาไม่รู้ชัดด้วยวิปัสนาปัญญามัคคปัญญาว่านี้ทุกขั่นะนะไม่มีวิปัสนาปัญญาไม่มีมัคคปัญญาที่อย่างรู้ว่านี้ทุกขสมุทัยไม่มีมัคคปัญญาไม่มีวิปัสนาปัญญารู้ว่านี้ทุกขานิโรธน ะ, ะมไม่มีมัคคปัญญาไม่มีวิปัสนาปัญญาที่จะรู้ว่า นี้ทุกขะนิโรธาควา ม, มนีปฏิปทาคือไม่มีวิปัสนาปัญญามัคคปัญญาที่จะยังรู้อริยสัจนะที่เราวันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับนี้ความดับทุกโดยไม่เหลือนี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกได้โดยไม่มีส่วนเหลือที่เขาเรียกว่าคนโง่คนไม่มีปัญญาทุบปัญโยคนมีปัญญาสามเนี่ยหมายความว่าไม่รู้ชัดในอริยสัจไม่เข้าใจายอย่างแจ่มแจ้งไง อริยศัสต์นี่แหละเรียกว่าคนโง่ละคุ้ว่าันนี่แหละเรียกว่าคนโง่ละอุโซเป่งเลยนะทับเตนจำใสเนี่ย น, นะเข้าใจอย่างปปโปร่งเลยไม่เชื่อก็ส่องกระจกดูเธอะนั่นแหละใช่เลยทีนี้ก็มีคำถามในอัตกถาเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของพระเถระผู้มีพระมหาโกธิตเนี่ยนะก็ตอนเย็นท่านก็ พระมหาโกธิตาเนี่ยนะก็ตอนเย็นท่านก็ออกจากที่หลีกเร้นพระมหาโกธิตาเนี่ยจริงๆแล้วปกติเขาจะเรียกว่าอายสัมมัมหาโกตโตเนี่ยนะก็จะมีคําว่าอายสัมานําหน้าที่โดยมากก็แปลว่าผู้มีอายุคํานี้เป็นคําที่แสดงถึงความเคารพมากคือทุกคนจะเคารพท่านมากทุกคนจะยำเกรงท่านมากก็จะมีคํานําหน้าว่าอายสัมาผู้มีอายุเนี่ยนะไม่ใช่อวุโสนะ อันนะั้แต่ว่าอัยสมาผู้มีอายุเป็นคําที่เป็นครูอาจารย์จริงๆเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยนะเป็นคณอาจารย์ใหญ่เป็นพวกคณบดีเป็นพวก อ, อาจารย์ใหญ่มากเลยแหละเป็นที่เคารพยำเกรงมีชื่อเสียงโดดเด่นในพระพุทธศาสนาอตอนเย็นพระเทเรรูปนี้ท่านก็ออกจากพระละสมบัติก็ไปถามถามพระสารีบุตร ที่เรียกว่ามีปัญญาสามเนี่ยไอ้ตัวปัญญาเองเนี่ยที่ชั่วไม่มีรอกแต่คนไม่มีปัญญานี่ยแหละก็เลยเรีรกรยกว่าปัญญาสามเพราะความที่ไม่มีปัญญาเลยเรียกว่าปัญญาสามแต่ความจริงแล้วไม่มีปัญญาที่ชั่วหรอก น, นนะปัญญาชั่วชวไม่มีรอกคำถามของพระมหาโก ธ, ธิตานั้นถามถึงเหตุเนี่ยนะเหตุประมาณเพียงเท่าไหรน้อแลเป็นค ำ, คำถาม ถ, ถามถึงเหตุในบรรดา คำถามคำถามทั้งหลา ย, นยนะในพระไตรปิฎกโดยทั่วไปแล้วมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันเรียกว่าปุจฉาห้าการถามมีอยู่ห้าอย่างหนึ่งเป็นการถามเพื่อส่องในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เห็นสองถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วสามถามเพื่อตัดความสงสยัยสี่ถามเพื่อซ้อมความเข้าใจห้าถามเพื่อจะอธิบายเองถามเพื่อการอธิบายเนี่ยนะ อันดับแรกก่อนคําถามที่บอกว่าถามเพื่อส่องที่ยังไม่เห็นหมายค่าว่าอย่างไรคือโดยปกตินั้นเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าใจ ย, ยังไม่เห็นยังไม่ช่างยังไม่ใคร่ครวนไตร่ตรองยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่ได้อบรมลักษณะก็ถามปัญหาเพื่อความเข้าใจเพื่อความเห็นเพื่อความช่างเพื่อเทียบเคียงไตร่ตรองเพื่อความแจ่มแจ้งเพื่ออบรมลักษณะนี่แหละเรียกว่าเป็นการถามคําถามถึงสิ่งที่ยัง ไม่เห็นเหมือนกับคนที่จะไปเที่ยวใช่ไหถามปัญหาบางคนที่เขาเคยไปแล้วเนี่ยซึ่งตัวเองไม่เคยไปแล้วก็ปรารถนาที่อยากจะมีข้อมูลเนี่ยนะเหมือนอย่างตัวง่ายๆก็คือคนที่ไม่เคยไปอินเดียไม่เคยไปสังเวชนียสถานได้ข่าวว่าคนโน้นเข้าไปคนนี้เขาไปก็เลยถามว่าสังเวชนียสถานนี่อยู่ที่ไหนอย่างไร อันนะั้นพักที่ไหนทานอะไรอยู่อย่างไรค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เป็นต้นซึ่งตัวเองไม่มีข้อมูลอยู่เลยเนี่ยการถามเพื่อหาข้อมูลอย่างนี้เรียกว่าถามส่องที่สิ่งตัวเองยังไม่เห็นหรือธรรมะบางหมวดนีไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะได้ยินชื่อก็งงแล้วเรียกชื่อก็ยังไม่ค่อยจะถูกก็เลยถามว่าอยากรู้ว่าธรรมะอันนั้นนะ่คืออะไรเป็นอย่างไรการถามอย่างนี้เรียกว่าถามเพื่อส่องในสิ่งที่ยัง ไม่เห็นเนี่ยนะอย่างคําถามว่าปฏิสัมพิธาคืออะไรอยังไงนะปฏิสัมพิธามมักคืออะไรงไงโอ้คำถามนี่ยาวเลยแหละวิสุทธิคืออะไรวิสุทธิมักคืออะไรงไงนะถ้าถามแบบละเอียดละเอียดก็โหยาวเลยแะไรว่ากันเถอะคือคําถามที่ตัวเองไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ไม่เข้าใจเลยทราบอย่างน่ยนะคําถามประเภทนี้เรียกว่าส่องในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เห็นคือปกติก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะก็ถามเพื่ออยากจะเผื่อจะได้รู้มั่ง คำถามอย่างที่สองถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้ว น, น, นะนะตัวเองเข้าใจแล้วละ่ะแต่ว่าอยากจะเทียบเคียงกับคนอื่นเขาจะว่าไงเช่นโดยปกติเป็นผู้ที่เข้าใจเห็นช่างไตรตรองทราบแจม่มแจ้งอบรมลักษณะไว้แล้วก็ถามเพื่อต้องการจะเทียบเคียงกับปราดพวกอื่นนี่เรียกว่าถามเพื่อการเทียบเคียงดูซิเรื่องนี้คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรคนอื่นเขาจะแสดงอย่างไรซึ่งตัวเองก็เข้าใจแหละแต่ต้องการความหลากหลายเนี่ยนะ ต้องการความรู้ที่วิจิตพิสดารต้องการความหลากหลายทางสติปัญญาบุคคลเหล่านี้ก็จะถามเพื่อเทียบเคียงหรือว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรนถามดูซิว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไ ร, งไรซึ่งตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรนะแต่อยากฟังมติของคนอื่นบ้างอยากฟังดูว่าคนอื่นเขาจะว่าอย่างไรเพื่อจะได้อะไรที่พิเศษกว่าหรือดีกว่าเป็นต้นอย่างที่สมถามเพื่อตัดความสงสัย คือโดยปกติก็เล่นไปสู่ความสงสัยความเคลือบแคลงเกิดความคิดสองจิตสองใจขึ้นมาว่าเอ๊ะมันยังไงหรือเนาะหรือมันไม่ใช่มันเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรเนาะจะเราว่าจะตกลงจะซ้ายดีหรือขวาดีอันที่ก็ถามว่าจะเอาสมถะดีหรือเอาวิปัสนาดีอย่างเงี้ยเน่ยตกสงสัยไปหมดเอ๊ะมันเขาบอกว่าสมถะมันเกิดพรหมโลกวิปัสนาสิมรรคผลเอ๊ะเอาอะไรดีเนี่ยระวังสมถะกับวิปัสนาเนี่ยนะเขาก็ไม่ถามกันอย่างงี้หรอกนะ ถามว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ดีเขาไม่คุยกันแบบนี้ใช่ไหมเอาไหมปกติเขาไม่ค่อยถามคําถามประเภทนี้แหละคือถ้าเป็นในโลกก็บอกทั้งดีก็พ่อก็ดีแม่ก็ดีดีทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีไม่สามารถทิ้งอันใดอันหนึ่งได้หรอกเขาเจริญเคียงคู่กันไปเหมือนกับตาซ้ายกับตาขวาอันไหนดีกันเนี่ยนะคําถามควรถามไหมไม่ควรเนี่ยน ะ, ะสมมติว่าโคลเทียมเกลียเนี่ยมันมีคู่ข้างซ้ายกับข้างขวาตกลงจะเอาโคข้างไหนดี มันก็มันใช้ทั้งคู่นะรถล้อหน้ากับล้อหลังอันไหนดีกันยังไงนะคือคําถามประเภทนี้เขาไม่ถามกันหรอกอบางอย่างเนี่ยถามเพื่อตัดความสงสัยเนี่ยบางทีก็คําถามนั้นก็ตั้งไว้ผิดเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยอยู่บนพื้นฐานเข้าใจผิดผิดก็ถามถามเพื่อจะเทียบเคียงแต่บางทีเนี่ยถามเพื่อตัดความสงสัยเนี่ยบางพวกก็ถามเพื่อการรับรองยืนยันว่าที่ฉันเข้าใจเนี่ยมันถูกหรือ ม, มันผิดเนี่ย igne. ต้องการการยืนยันเนี่ยนะ แต่บางทีเนี่ยมันก็น่าสงส า, น, าน่าเห็นใจทั้งคนถามทั้งคนตอบไอ้ถามเพื่อตัดความสงสัยเนี่ยนะตัวเองไปทำอีกเรื่องหนึ่งไปปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งแล้วไปถามคนที่เขาปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะตัวเองทำอย่างหนึ่ง ก็เหมือนกันอย่างที่เขาบอกว่าสงสัยพระวินัยไปถามอภิณฑ์นักอภิธรรมสงสัยอภิธรรมไปถามนักวินยัยมันก็เลยมีแต่ปัญหาเนี่ยนะหรือบางคนก็เหมือนกันตัวเองปฏิบัติค่ายนี้ไปถามอาจารย์ค่ายโน้นตัวเองปฏิบัติค่ายโน้นมาถามค่ายนี้แล้วมันยุ่งไปหมดเลยเนี่ยไอ้คำถามประเภทนี้ชวนทะเลาะกันมากที่สุดเนี่ยนะแล้วก็เป็นคําถามที่สร้างปัญหาไม่มีจบมีสิน้นอย่างบางคนเขาก็ไปปฏิบัติในรูปแบบของเขามาแล้วก็มาถามว่าเรื่องนี้พระไตรปิฎกว่ายอย่างไร นะมันตอบยากมากจริงๆอ่ะถ้าตอบตรงๆมันก็ง่ายมากบอกสิ่งที่คุณทํามันไม่มีหรอกในพระไตรปิฎกแต่เขารับไม่ได้หรอกเนี่ยนะอุตส่าห์ทุ่มเทมหมดทั้งเงินหมดทั้งทองหมดทั้งเวลาสูญเสียไปสารพัดอย่างเขบอกแหมอยู่ๆแล้วบอกว่าไม่มีในพระไตรปิฎกเขาก็ทําใจไม่ได้ไอคนตอบก็ได้แต่ความอึดอัดใจเนี่ยไอคนถามก็ไม่รู้ว่าถามถูกคนหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าถามเพื่อให้เขาอนุโมทนาในสิ่งที่ตัวทําก็ต้องไปถามพวกที่แบบ พวกสายเลือดเดียวกันเนี่ยนะพวกทิฐิเหมือนกันพวกมีความเห็นเหมือนกันอะ่ะจะได้รับคํำอนุโมทนาเนี่ยนะมันอันนี้ต้องระวังในเรื่องถามเพื่อแต่ความสงสัยเอ๊ยยังไงกันแน่เนี่ยนะยังไงกันแน่ยิ่งสมัยใหม่รัฐที่มันเยอะเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยนะเอาไงกันแน่บอกอย่างที่หลายคนเข้ามาถามบอกคุณอยากทําไงคุณก็ทําไปเถอะเหมกันพอมาตอบง่ายมากเลยนะตกลงคุณอยากทําไงก็ทำไปเถอะบอกทําไมอะ่ะพอมาที่บารไม่ได้หรออธิบายปั๊บคุณโกรธทันทีเลยจะฟังไหมล่ะ เนะไม่อยากให้คุณเป็นอกุศลหรอกแค่นี้ก็บาปพอแล้วว่างั้นนะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าดียังไงก็ทำไปเถอะว่างั้นนะถ้าคิดว่าตัวเองปลอดภัยคิดว่าตัวเองมั่นใจรับผิดชอบได้ก็ทำไปเถอะคำตอบตอบแบบที่พระพุทธพจน์กล่าวนะ ง, ง่ายๆคิดว่าทำแล้วไม่เสียใจในวันหลังคุณควรทำอันนั้นแหละ คุณมั่นใจนะว่าสบายใจแน่ในวันหลังไม่เดือดร้อนใจแน่ในวันหลังยิ้มรับแน่นอนเลยผลที่ทําในวันหลังทํามั่นใจได้ขนาดนั้นทําตามสบายว่างั้นเถอะถ้าไม่มั่นใจหาข้อมูลต่อไปเนี่ยนะเพราะมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่มีข้อมูลเนี่ยนะเพราะว่าการปฏิบัติสมรรถะหรือวิปัสสนาก็ตามมันเป็นเรื่องของความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจันทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะยิ่งกว่าผ่าตัดสมองอีกว่างั้นถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยเนะี่ยบอกว่าอย่าผ่าตัดสมองแล้ววนะ่างั้น มันยากเหมือนันนะผ่าตัดมิจฉาทิฏฐิอะนะผ่าตัดมิจฉาทิฏฐิมันยากพอๆกับผ่าสมองเลยแหละเพราะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาทิฐิถ้าไม่เข้าใจมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องมีข้อมูลให้มันเกิดความรู้เกิดความเข้าใจก่อนเนี่ยนะ